ถึงทำหลายคนก็นึกถึงสุขนะเพราะว่าเชื่อว่าทำเนี่ยนยย่อมทําให้เกิดสุขแต่จริงแล้วเนี่ยทำเนี่ยกับทุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใกล้กันมากนาะจะเรียกว่าไปด้วยกันก็ได้เหมือนกับแสงแดด ก, กับเงาแสงแดด ก, กับเงามืด น, นี่เราตรงข้ามกันเลยนะแต่จะมีเงาได้ก็ต้องมีแสงแดด ในแง่นี้แสงแดดกับเงาเนี่ก็เรียกว่าใกล้ชิดกันมากทํากับทุกข์ก็เหมือนกันนะในแง่อนหนึ่งเ น, นี่ยธรรมะกับทุกข์เนี่ยมันใกล้กันมากเพราะว่าธรรมะก็เป็นเรื่องของความทุกข์หมายความว่าทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะธรรมะในพุทธศาสนานี่ว่าไปแล้วก็เริ่มต้นด้วยคําว่าทุกข์นะ ริษัทสีเนี่ยซึ่งเป็นธรรมหรือหัวใจแห่งธรรมะที่สำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทุกนะแล้วก็ท่านสอนให้ไม่ใช่หนีทุกนะแต่ให้รู้ทุกเรียกว่าทุกเนี่ยเป็นประตูนเนี่ยไปสู่ธรรมะข้ออื่นๆหวมทั้งความพ้นทุกข์ด้วย ถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอริยสัจข้ออื่นๆได้ถ้าเข้าไม่ถึงนะไอการที่จะพ้นทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เนี่ยทุกข์กับธรรมเนี่ยยังสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดง่ายที่ว่า ความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดใจให้คนเราน้อมรับธรรมะหรือสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะมาในรูปไหนอย่างเช่นความเบื่อเนี่ยนะความเบื่อเนี่ยหลายคนไม่ชอบส่วนใหญ่ก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อหนีความเบื่อ แล้ว่าความเบื่อนี่แหละนะมันก็สามารถที่จะพาให้หลายคนเนี่ยเข้าหาธรรมะได้อย่างในสายวัตการมเนี่ยมานบหนุ่มสองคนเนี่ยซึ่งฉลาดมากเนี่ยซึ่งภายหลังก็รู้จักในานามของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานนะ มานบสองคนเนี่ยคืออุปติสสะโกลิตตะเป็นหนุ่มที่มีมาจากครอบครัวฐานะดีแล้วก็ชอบความสนุกสนานบันเทิงตามภาษาคนหนุ่มพึงพอใจในการดูมอรสพเพลงละคร แต่มีวันนึงเนี่ยหลังจากที่ไปชมมรสพบเห็นตามตำนานก็วันนีถึงเขาพิ ด, พดชกุฎเลยทีเดียวเนาะว่าก็เกิดเบื่อเบื่อนายไม่รู้สึกว่ามันสนุกอีกแล้วไม่รู้สึกเพลิดเพลินเลยและความเบื่อนี่ก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะสนใจ การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็เลยไปเป็นศิษย์ของสัญชัยนะสัญชัยปริพาชกนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ได้มาได้พบพระอัสสชิพอได้พบพระอัสสชินี่เกิด ศรัทธาเรื่อมใสขึ้นมาและคำสอนที่สรุปแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าแค่สองประโยชน์นี้ก็ทำให้อุปติาสานี่ดวงตาเห็นธรรมเลยทมใดเกิดแต่เหตุปตัสถาคตการาถึงเหตุแห่งธรรมและความหลับแห่งธรรมนั้น mm hmm. นี่เป็นปกติคำสอนของพระบรมศาสดา ตอนนี้นะอระวิษาก็ดวงตาเห็นธรรม น, นี่ถ้าไม่เจอความเบื่อก็คงจะเพลิดเพลินกับการแสงหาความสุขสนานบันเทิงจนยากที่จะมามาพบธรรมได้อีกคนหนึ่งนะก็จะสะกุลบุตรนะ รายนี้นี่ก็เรียกว่าครอบครัวร่ำรวยมากเจ้าชายสิทธัตถะมีอะไรเนี่ยยัสกุลระบุตก็มีอย่างนั้นแหละเช่นปราสาทสามหลังเพลิดเพลินกับความสนุกสนานการมาคุณตันตามราษาชายหนุ่มไม่รู้จักคำว่าการทำงานมีแต่สิ่งเสบิ้นดวงบาเลอ เช้าจดค่าจนดึกเลยนะีการร้องลําทําเพลงการกินการดื่มมีคืนหนึ่งนะหลังจากที่ได้ฟังการร้อง ล, ำำลงําทํำได้ดูการร้องลําทําเพลงได้ฟังการบรรเลงเพลงจนดึกเลยนะ ก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาบอาว่าดึกมากเลยนางนางเรียกว่านางกำนันก็ตั้งที่จ้างมาบมรุงบ่มเรอนางละครฟ้อนลำนอนกายกัน ตรงนั้นแหละบางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็ผ้า พ, พ่อหลุดรุ่ยเนี่ยสกุลระบุเห็นแล้วโอมันเหมือนกับป่าชาเลยนะไอตอนที่ร้องลําทำเพลงตอนที่บรรเลงดนตรีก็ดูสวยงามดีแต่พอนอนสลบเหมือนกับคนสลบสไลดแล้วมันเหมือนกับป่าชา เ, เห็นแล้วเกิดความสองเวช แล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาคือเรียกว่าเสพสุขจนเอียนนะเสพสุขจนเอียนจนเบือ่อแล้วก็รู้ว่านี่นะมันไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตต้องการเกิดความสับสน ว, วุ่น เขารู้สึกว่าข้างในมันว่างเปล่าก็เลยเดินออกจากคฤหาสนะ์ปราสาทเดินไปอย่างไรจุดหมา ย, นะลยคล้วพอไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเขาก็นะพร้อมกับพูดขึ้นมาลํำพึงขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอะตรงทั่งเดินไปถึง 8, ป่ายสิบย์ปตนะมฤขกัยาวังซึ่งผู้เจ้าเนี่ยจำรรษาแรกที่นั่น พอได้ยินเสียงของยสัสสกุลบุตรพระเจ้าก็พูดกลับไปเลยนะว่าที่นี่ไม่บปนหวายที่นี่ไม่ขัดข้องทําให้ยสัสกุลบุตรเกิดความสนใจเอกใจขึ้นมาก็เลยสนทนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมจบนี่ยสัสกุลบุตรนี่บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดา บ, บันนี่ถ้าไม่เบื่อนะ ไม่เบื่อไม่รู้สึกว้าวุ่นสับสนก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าและถ้าไม่เบื่อไม่ว้าวุ่นไม่สับสนใจก็คงจะเปิดรับธรรมะได้ยากคนที่ยังมีความเพลิดเพลินยินดีในการมศุกมันก็คิดแต่จะคิดแต่จะหาหาการมศุกมาเสพให้มากขึ้นมากขึ้น ยังคิดว่าเป็นการมาสุขเป็นสารณะได้แต่พอมาถึงจุดที่มันเบื่อเพราะว่าเสพจนเอียนนี่นะก็ไม่หวังละ ว, ว่าการมาสุขจะเป็นคําตอบจิตใจพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งอื่นตรงนี้แหละนะที่พร้อมที่จะน้อมรับธรรมะพระพุทธแสดงธรรมที่เรียกอนุปพิกถา เริ่มต้นโดยการทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลอ น, นิสสงของทานของศีลคือสวรรค์คือความสุขแต่แล้วมันก็ลงเอยด้วยความเสื่อมโทษของการมาสุขซึ่งตรงนี้แหละนะแล้วสกลระบุเห็นชัดเลยมันไม่อร่อยอย่างที่คิด อย่างที่เคยคิดนะเพราะว่าเห็นหรือประสบด้วยตัวเองว่ามันน่าเบื่อมากตรงนี้แหละที่ใจก็นอนไปสู่เนคข ม, มะคือสิ่งที่ปลอยจัการามแล้วพอได้ฟังอริยสัจสีเข้าก็เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เบือ่อไม่เซ็งก็คงไม่พบธรรมหรือเข้าไม่ถึงธรรม ไม่ใช่แค่ความเบื่อนะความทุกข์ในรูปอื่นก็เหมือนกันนะเช่นความเศร้าโศกเสียใจอย่างนางกีสาคตาุตมีซึ่งเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียลูกนางปัจจารามีเจอหนักมากนะสูญเสียสามีสูญเสียลูกสองคนสูญเสียพ่อแม่ภายในเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงเรียกว่าจิตแทบสลายเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะว่า เศร้าโกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญแต่พอได้ฟังธรรมของพระเจ้านี่ก็จิตก็พลิกเลยนะทราบซึ้งถึงโทษของวัตตาสงสารเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นเกิดปัญญาขึ้นมาเลยนี่ทําไมสูญเสียคนรักนะก็คงจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตอย่างชาวโลกเหมือนคนอื่นๆ แต่พอเจอความสูญเสียเข้าโอ้และมีความเศร้าโศกจิตก็พร้อมจะพลิกนะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกับสันติอมานะกำลังเพลิดเพลินนะกับสิ่งเสพบำรุงบำาเรอพอพระเจ้าประสิทีิโกสนให้คองราชเจ็ดวันพอมีความดีความชอบ พอของเราเจ็ดวันก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็เอาแต่เสพสุราแล้วก็ชื่นชมนารีดูดูการร้องรำทำเพลงนะเช้าจดเย็นจนข้ามจนดึกยิ่งใกล้ครบเจ็ดวันนะที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ยิ่งนะเสพสุขเต็มที่ จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าใกล้จะครบ7็วันเพราะครบเจ็วันเมื่อไหร่ก็จะไม่มีโอกาสเสพสุกแล้วินเหล้าจนเมาส่วนนางละครนางนางนางหญิงร้องร ำ, ำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงไม่ได้หยุดเลยจนขาดใจตายต่อหน้าต่อตาย แถมเป็นหญิงคนโปรดด้วยตอนเสร็มาตกใจหายหายเมาเลยแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากลุงเช้านี่ก็ไปไปหาพระเจ้าร้อยวันพันปีไม่เคยสนใจพระเจ้าเลยแต่พอเศร้าโศกมากก็เลยเดินไปเฝ้าพระพุทธองค์นะที่เชต ว, วันพอพระองค์แสดงธรรมเนี่ยไม่กี่ประโยคนี่ บรรลุธรรมเลยนะไม่ได้เป็นพระโสดาบาันไม่เป็นเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวเห็นท่วงความยึดติดถือมัน่นนี่เราถ้าไม่เจอทุกนะก็ไม่เห็นธรรมนะดงนั้นทุกเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากด้วยถ้าว่าเราใช้ให้เป็นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นในทุกมันก็พาไปสู่อบายมุกสู่สุรายาเสพติด อย่างที่เกิดขึ้นกับหลายคนแต่ว่าเวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อย่าไป น, นึกว่ามันมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียหรือเกิดจากความเบื่อเนอะบางทีทุกข์ที่เกิดจากการถูกขนาบถูกบริภาทนี่มันก็สามารถจะพลิกจิตหรือเปลี่ยนชีวิตคนได้นะยังมีคราวหนึ่งเนี่ยใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็มีพระภิกษุ 500รลูกเลยทีเดียวนะจะมาจำรรษาที่เชตวันนะเชตวันนี่สมัยนั้นนี่สมัยวิทจการนี่รับพระเดชคงเป็นพันธ์นะพอมาถึงก็เจอเพื่อนพ้องที่เป็นพระด้ยวยกันก็สนทนาสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะคุ้นเคยกันไม่ได้เจอกันมานาน คุยเล่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเสียงอื้อยึงดังไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าถามพระนบักเสียงอือยเหมือนกับประมงแย่งปลากันเนี่ยมันมาจากไหนเป็นใครพอรู้ว่าเป็นพระห้าร้อยรูปเนี่ยที่มาจากเมืองอื่นเนี่ยผู้เจ้านี่ไล่เลยนะสั่งไล่ให้ไปที่อื่นเลยโอ้พระที่โดนผู้เจ้าไล่นี่มีไม่มากนะโดนไล่นี่ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียหายมากดีนะที่ยอมนะยอมพระพุทธเจ้ า, ล า, าไล่ก็ไปแต่รู้สึกอับอายแล้วก็เสียใจเพราะก็เกิดความสนนกผิดนะพอไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยพอถูกไล่เนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเลยนี่ถ้าไม่ถูกพระพุทธเจ้าบริพาท ขับไล่นี้ก็คงจะไม่ก้าวหน้านในทางธรรมบางรายนี่เจอหนักกว่านั้นนะก่อนจะเป็นพระอรหันต์ได้นี่ต้องเจอโทษหนักถึงขั้นเป็นลมสลบนี่สามครั้งเลยท่านนั้นคือพระฉัน น, นะนีพระฉันนาเนี่ยเป็นคนสนิทของพระเจ้านะเพราะว่าถ้าเราจําได้ตอนที่พระเจ้าเสด็จออ ก, ออกบวชเนี่ย ก็มีมหาเล็กชื่อชันนาเนี่ยตามพระเจ้าออกมาจากวังพองกมักการถักกะฉันนาที่เป็นมหาเล็กเกิดวันเดียวกับพระเจ้า เ, เรียกว่าเป็นสหาชาติเพระพระเจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมมีผู้คนมาบวชเป็นจํานวนมากฉันนาก็บวช ด, ด้วยจะบวชแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของพระพุทธเจ้า ถือว่ารู้จักผู้เจ้ามาตั้งแต่เล็กก็เลยมักจะทำตัวเย่อหยิงแล้วก็ช่วชอบอวดตัวแถมดื้อดึงสิ่งเนะีไม่เชื่อฟังพระที่บวชก่อนตัวเองนี่บวชทีหลังนะแต่ว่าถือว่าเป็นคนสนิทของผู้เจ้าก็เลยทำตัวตามสบาย ไม่สนใจสิกขาบทต้องอาบัตนี่บ่อยมากถูกเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่สนใจถือว่าเป็นคนสนิทของพูะุทธเจ้าหรือว่ามีเส้นใหญ่นะพูดง่ายๆคิดอย่างนั้นจนพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงกับลงโทษ น, นะให้สงฆ์เนี่ยไม่ไม่คบคาด้วยไม่กินไม่อยู่ด้วย ไม่สมาคมด้วยเลือกอุเคปนิยกรรมพระชนะพระชนะก็ได้สำนึกแต่และกรนั่ก็เหมือนเดิมไม่นาก็เหมือนเดิมทำต้องอาบัติแล้วแก้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพระเจ้าก็เลยให้คณะสงฆ์นี่ลงโทษปรับอาบัติปะอาบัตแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังทำตัว เรียกว่าเป็นขายใหญ่ในหมู่สงหรือเพราะที่โกสัมพีนะเพราะว่าใหญ่ที่นั่นตหลังนี้ก็โดนในช่วงหลังๆนะในช่วงหลังพุทธช่วงท้ายของพุทธกาลเนี่ยคือก่อนที่พระเจาจะบปรินิพพานเนี่ยตนน้านี่ก็ยุมากนะ70กว่าแล้วจะ80อยู่แล้วก็ยังทำตัวนะ ไม่เคารพพิธ ร, รมพระสารีบุตรก็เตือนั น, นาก็เถียงต่อมาพระโมคคัลลานะเตือนช น, นาก็เถียงเถียงไม่พอตอหลังก็ด่าว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอ้างว่าเนี่ยบอกเนี่ยสมัยที่ พระตุเจ้าบวชเสร็จออกบวชเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครหน้าไหนเลยก็มีแต่เรานี่แหละอยู่กับพระองค์ถึงตอนนี้คณะสงฆ์นี่ใหญ่โตนี่ก็คนนี่ก็อ้างว่าฉันคือสารีบุตรคนนี้ก็อ้างว่าฉันคือโมคคัลนลนะันอวดตัวกันใหญ่นะี่ยพูดจาทานองมินเหย็ดยามต่อว่าพระสารีบุตรพระโมคคันลันะพระ เ, ร จ, ระนนะเจ้าทราบนี่ก็เรียก ว่าชนะมาเตือนวาชนะก็ไม่ฟังนะก็ไปด่าว่าพระไศรุวิภพมกขลานีกหลายครั้งเลยนะพูะเจ้าเตือนแล้วก็ยังไม่สนใจสุดท้ายพูะเจ้าตอนใกล้จะไปนิพพานเนี่ยก็บอกพระนนท์ว่าเนี่ยชนะนี่ กงเกินกว่าที่พระเจ้านี่จะตักเตือนอะไรได้แล้วถ้าพระองค์ปรินิพพานเมื่อไหร่นี่ก็ให้คณะสงฆ์นี่ลงพรมทันเลยลงพรมทันเลยแต่พอพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยหลังจากไม่รู้ว่าหลังจากสังเคนาเสร็จหรือป่าหรือก่อนสังคยนาพระไตบปิดกเนี่ยพระนนนี่ก็ แจ้งแกสงนะว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมอบหมายให้ลงพรมธันพระฉันนะคณะสงฆ์เห็นก็รับรองพรานน น, นี่เดินจาริกไปถึงโกสัมพีเลยนะประชุมสงฆ์หลายร้อยเลยนะรวมทั้งพระฉันนะด้วยแล้วก็แจ้งข่าวว่าคณะสงฆ์ลงมติ พรลงพรมทันพระชนนะพระชนน่าพอได้ฟังพอ ไ, ได้ฟังก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะเจอแรงขนาดนี้สลบเลยฟื้นขึ้นมาก็สลบอีกสามครั้งแต่พรากว่าคราวนี้สำนึกแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ล้วถ้าไม่เจอการขนาบจากพูทจาและจากคณะสงฆ์นี่ก็คงไม่มีความตื่นตัวอันนี้ก็เราเจอทุกเหมือนกันนะแต่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะสูญเสียคนรักแต่ทุกเพราะถูกปริพาถูกด่า ว, ว่าหลายคนนะทนไม่ได้ ก็อาจจะหลบเลี่หนีไปแต่บางคนเกิดสํานึกขึ้นมาแต่กว่าสํานึกนใดก็ต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดจากการขนาอย่างที่พระอาจาตรัสว่ากับพันหนวดวันเนี่ยเราจะไม่ปฏิบัติกับเธออย่างสนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อที่ทํากับหม้อทีอยงเปียกยังดิบเราจะขนาแล้วขนาอีก ที่จริงเรื่องพระชนะนั้นมันก็ได้ข้อคิดนะว่าคนที่ใกล้ชิดพระเจ้านี่แหละคือคนที่สอนยากที่สุดในบรรดาภาษาวกเนี่ยไม่มีใครที่ใกล้ชิดพระเจ้าได้มาเท่ากับพระชันนะ้ได้มาเท่ากับพระชันนะ้เ พ, ะนะเพราะรู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่เล็กเป็นสหาชาติแต่ยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้านี่ก็ยิ่งสอนยากวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็มีมาตลอดนะ คนที่กล้ชิด ก, กับครูบาอาจารย์กับการเป็นคนที่สอนยากที่สุดเพราะว่าอาจจะถือว่ามีเส้นหรือว่ามีคนคุ้มครองนี่พระเจ้าเนี่ยไม่ปริยนิพพานเนี่ยพระชนะคงจะไม่กลับตัวกลับใจเพราะยังคิดว่ามีเส้นใหญ่นะแต่พระเจ้าเนี่ยเปรียนิพพานแล้วพระชนะก็รู้เลยวว่าตัวเองนี่ ไม่มีใครคุ้มครองแล้วก็เลยสำนึกผิดได้ง่ายในคนที่ใกล้ชิด ก, กับครูบาจารย์หรือใกล้ชิด ก, กับพระอา้าเนี่ยกับการนคนที่สอนยากนอันนี้เราก็เห็นอันนี้ไม่ใช่มีพระัชชนาเท่านั้นนะพระโกสัมพีเนี่ยที่เคยทะเลาะ ก, กันโดยไม่ฟังคำทัดทาน ของพูุทธเจ้าเลยจนทั้งพวกนี้ต้องประทว้วงโดยการเสด็จออกไปปลีกวิเวทที่วัดป่าเลไลเนี่ยก็เหมือนกันนะพว น, นี้ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดพพุทธเจ้าพูะุทธเจ้าสอนพูะุทธเจ้าทัดทานไม่ฟังแต่าที่ญาติโยมหรือว่าพระที่อยู่ไกลนี่ยังฟังมากกว่าที่จริงแม้กทางการใกล้ชิดธรรมะนี่มันก็ มีข้อเสียเหมือนกันนะบางทีใกล้ชิดธรรมะมากได้ยินได้ฟังธรรมะทุกวันทุกวันทุกวันกลับปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังจนชินเห็นว่าธรรมะเป็นยาปากคอกหรือว่าอาจจะเกิดอาการดาาชาแต่บางคนนี่พอได้ฟังเป็นคนห่างไกลธรรมะห่างไกลวัดพอได้ฟังธรรมะไม่ผีประโยชน์ จิตเปลี่ยนเลยแล้วพวกเราก็ต้องระวังนะฟังธรรมะทุกวันทุกวันนะอยู่กับอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารยนะ์แล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยบางทีมันอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยก็เรียกว่าเกิดการด้านหรือชาขึ้นมาไม่เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติหรือถึงแม้จะไม่ได้อยู่วัดแต่ว่าฟังธรรมะทุกวันทุกวันทุกวั น, วนฟังจน บางทีท่องได้แต่ว่านิสัยเหมือนเดิมเพราะว่ามันฟังจนชินหรือไม่มีอะไรที่จะสะดุดใจพอไม่สะดุดใจก็เลยนะเกิดขาดการตื่นตัวยิ่งไปเข้าใจตัวเองรู้ธรรมะแล้ว ย, ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พอรู้ธรรมะพอฟังเยอะอ่านเยอะก็เลยเกิดความประหมาา แล้เนี่การที่ก้าชิดธรรมะหรือก้าชิดคูบาจานี่มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะมันก็ทำให้เกิดความประมาทขึ้นมาได้